ไอคำารักที่เธอนั้นเคยบอกฉันฉันไม่คิดว่ามันจะทำร้ายกันเมื่อวันนี้สิ่งที่เธอให้กับฉันมันไม่ใช่เรื่องจริงสุดท้ายแล้วเธอก็คงต้องทิ้งสุดท้ายแล้วเธอก็คงลืมไปทุกสิ่งแต่คนที่รักความจริงคือฉันจะชน ได้ไงสิ่งที่เธอทำเธอคงไม่เคยได้รู้สึกว่าในตัวลึกของใจจะเจ็บสักเท่าไรเธอเป็นคนทำเธอคงไม่จำส่วนฉันคนโดนทำร้ายให้เสียใจ อากใเธอมาลองเป็นฉันเธอจะได้รู้ว่ามันจะปวดเพียงใดที่หลอกให้รักที่หลอกให้คิดไปไกเธอจะได้รู้ว่าความเสียใจมันมากมายเท่าไหร่คนหนึ่งยังรักอีกคนไม่รักต้องการจะไปเป็นเธอจะทนมันได้ไหมกลกวัน คเใจจบเพียงนี้ก็เจ็บแค่นี้ไม่อยากจะมีอะไรในใจได้ใจต่อไปเมื่อเธอไม่รักฉันพอไม่รักให้ชันใจเมื่อเธอจะไปกับเขาเธอก็ลืมรักกร้องสองสักวันเธอน้าเธอจะได้รู้เธอจะได้ลองต้องมีสักวันที่เธอรอ เพรากำจะตามสนองให้เธอต้องเสียใจ อยางให้เธอมาลองเป็นฉันเธอจะได้รู้ว่ามันจะปวดเพียงใดที่ลองให้รักที่ลอาให้คิดไปไกลเธอจะได้รู้ว่าความเสียใจมันมากมายเท่าไหร่คนหนึ่งทีงรักที่คนไม่รักต้องการจะไปเป็นเธอจะทนมันได้ไหม สักวันเธอคงเข้าใจจบเพียง น, นี้ก็เจ็บแค่นี้ไม่อยากจะมีอะไรในใจในใ จ, ในใจต่อไปเมื่อเธอไม่รักฉันก็ไม่รักในช้ำใจเมื่อเธอจะไปกับเขาเธอก็อลืมรักเราเราองสักวันเธอหน้าเธอจะได้รู้เธอจะได้ลองต้องมีสักวันที่เธอรอ ทำจะตามสนองให้เธอต้องเสียใจโอ้ทำจะตามสนองให้เธอต้องเสียใจ